เป็นหนังสือของหลวงปู่ดูลช่วยอ่านหน่อยด้วยความคุ้นเคยและอยู่ใกล you know. ้ชิดหลวงปู่มาเป็นเวลานานเมื่อถามปัญหาอะไรท่านหลวงปู่ท่านมักจะตอบด้วยการย้อนถามกลับคืนทำนองให้คิดหาคำตอบเอาเองเช่น ถามว่าพระอาหารหันต์ท่านเคยนอนหลับฝันเหมือนคนธรรมดาด้วยหรือเปล่าครับท่านตอบว่าการหลับแล้วเกิดฝันเป็นเรื่องของสังขารขันไม่ใช่หรือถามว่าพร ะ, พระปุถุชนธรรมดายังหนาด้วยกิเลสแต่มีความสามารถสอนคนอื่นให้เข้าบรรลุถึงพระอาหารหันต์เคยมีบ้างไหมครับหลวงปู่ท่านตอบว่าหมอบางคนทั้งที่ตนเองยังมีโรคอยู่แต่ก็เคยรักษาคนอื่นให้หายจากโรคได้ มีอยู่ทั่วไปไม่ใช่หรือทีนี้ตรงเนี้ยพระอระหันท่านเคยนอนหลับฝันเหมือนคนธรรมดาด้วยหรือไม่ด้วยหรือเปล่าครับเป็นคำถามที่คนถามหลวงพูดดูลเมื่อกี้ที่มืออ่าหลวงพู่ดูลตอบว่าการหลับและเกิดฝันเป็นเรื่องของสังขารละขันไม่ใช่หรือผมเอาแค่สองประโยคเนี้ย เดี๋ยวเอย่าพึ่งไปผมจะถามว่าให้มุ้ยลองอธิบายแค่เนี้ยตามความรู้สึกของตัวเองเราอ่านเท่ากันฟังเท่ากันเดี๋ยวผมจะถามความคิดเห็นของแต่ละคนผมอยากจะรู้ว่าสิ่งที่เราได้ยินเหมือนกันเนียเวลาเราตีความเนี้ยเราจะตีความยังไงเราจับประเด็นง่ายๆเลยคนธรรมดาถามว่าพระอรหันต์ฝันไหม หลวงปู่ตอบว่าอะต้องตอบตามท่านไม่งั้นเดี๋ยวข้อความบังคำมันหายไปการหลับแล้วเกิดฝันเป็นเรื่องของสังขารขันไม่ใช่เหรอท่านตอบแค่นี้การหลับแล้วฝันเป็นเรื่องของสังขารขันไม่ใช่เหรอผมถามว่าท่านหมายถึงอะไรแล้วจะให้ตีความไม่ง่ายว่ายังไงถ้าถ้าความเข้าใจนะคะ คือสังขารขันคือฝันเนี่ยมันคือคิดเหมือนเวลาที่เราคิดตอนตื่นก็คือเรียกว่าคิดแต่พอฝันเนี่ยสมองยังทำงานความคิดยังทางานมันก็เลยกลายเป็นความฝันคิดปรุงแต่งขึ้นมามันก็คือความฝันแล้วตกลงสรุปแล้วพระอรหารฝันไม่หรือคิดว่าไม่แค่ความเข้าใจนะคะไม่ก็พูดนแค่สองประโยค คกยเอาเอาไี่วยเก่งเรื่องของนันจา <c oughs> นยนต์ม่ให้ไม่ตั้งตัวเลย <c oughs> ความเข้าใจของผมเนี่ยคล้ายๆกับพี่มุย้ยว่าการฝันเนี่ยมันจะเป็นนิมิตเป็นสิ่งที่จิตเราคิดอยู่ขณะที่เราหลับหรือเกิดขึ้นซึ่งเราควบคุมไม่ได้ ก็อาจจะเกิดขึ้นท่านก็พาระอรหันต์ท่านก็ท่านก็มีสังขารเหมือนเราท่านก็มีการฝันมีอะไรเหมือนเราเพียงแต่ว่าท่านไม่มีตัวตนแล้วท่านไม่ได้ยึดสิ่งนั้นให้มันไม่มีค่าอะไรสำหรับท่านนะฮะและ้วแล้วท่านก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต้องมาสนใจมันด้วยหรือมีมีค่าอะไรแต่ฝันครับไม่เหมือนครับ ก็คือคิดว่าถ้าถามว่าฝันไหมก็คือฝันแต่ว่าในการปรุงแต่งของพระอาหารหันต์ก็คือเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าไม่ได้เอ า, าเรียก อ, อะไรไม่ได้เอาจิตไปรับรู้การปรุงแต่งอันนั้นให้เป็นสาระอะคะ่ะแต่ว่าฝันนะฝันแต่ว่าไม่เอาตรงเรื่องนั้ไม่เป็นสาระดีกว่า คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะคะมันเป็นไปตามเหตุและปัจจัยของการมีนามรูปอะคะ่ะเพราะว่าพระอรหันต์เนี่ยนถึงตรงนั้นเนี่ยท่านก็ไม่ได้มีตัวตนอยู่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเกิดจากการทำงานจากการที่สัญ ญ, ญ, ญาและสังขารมีการปรุงแต่งก็เป็นไปตามเหตุและปัจจัยที่มันเกิดขึ้น ถามว่าตัวท่านฝันไหมนะตรงที่เป็นพระอรหันท์ท่านไม่ได้ฝันเพียงแต่ว่านามรูปมันทำงานค่ะโอเคก็เนี่ยเหมือนกับแค่หนึ่งประโยคก็จะมีการตีความกันออกไปเรื่อยๆคำของพระเจ้าเมื่อไหร่ ก็จะมีการตีความกันออกไปด้วยวิธีคิดทีนี้โลกทุกวันนี้คือใครคิดดังกว่าคนเยอะกว่าก็จะมีผลมากก็จะอาจจะทำให้สัจธรรมเปลี่ยนไปหรือว่ามีการออกมาแสดงเหตุผลโดยผู้ที่น่าเชื่อถือ ก็จะทำให้น้ำหนักมันเพิ่มขึ้นไปอีกอสมมติว่าเรากลับมากลับมาที่เดิมคือคำถามที่เขาถามหลวงปู่แล้วหลวงปู่บอกว่ามันเป็นเรื่องของสังขารขันไม่ใช่หรือแค่ท่านพูดแค่นี้กลายเป็นการตีความได้เยอะมากเลยถ้าจะมานั่งดูว่าตกลงพระอรหันต์ฝันหรือไม่ฝันเนี่ยท่านพูดอย่างนี้เพอะไปได้ทั้งทองทางเลยไปได้ทั้งฝันแล้วก็ไม่ฝันเลย ก็เป็นเรื่องของสังขาระขันไม่ใช่เรื่องของพระละหันอืมก็ใช่แต่ถ้ามีคนบอกว่าก็ในเมื่ออวิชาดับเปลี่ยนเป็นวิชาก็เป็นวิสังขารก็หยุดการปรุงแต่งแล้วไม่ใช่เหรออ่ะพอมีคนพูดเออจริงเริ่มเออจริงขึ้นมาแล้วใช่ไ้ยมันจะเบี้ยวไปเบี้ยวมาเอ็นไปเอ็นมาอยู่อย่างเนี้ยเออใช่ใช่เพาราะละหันเป็นวิสังขารแล้วที่ แต่นี่หลวงปู่ดูแบบว่าสังขาระขันตกลงขันของพระอรหันต์ก็ไม่ไม่สังขารก็ไม่ปรุงแต่งเป็นวิสังขารเพราะนั้นก็หยุดการปรุงแต่งเพราะฉะนั้นก็สรุปได้ว่าพระอรหันต์ไม่คิดไอไม่ฝันแบบเนี่ยมันจึงเกิดวิธีคิดที่มันกลับไปกลับมาแต่คําพูดของหลวงปู่นเนี่ย ถ้าหมายความง่ายๆเนี่ยคือว่าเป็นเรื่องของสังขารไม่ใช่เรื่องของพระรานเขาก็ทํางานของเขาไม่ใช่ของเราไม่มีเราเรื่องมันก็จบแค่เนี้ยส่วนจะสรุปว่าฝันหรือไม่ฝันก็ถ้ามันก็มีเหมือนบอกว่า มีอีกครั้งหนึ่งที่หลวงปู่นอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลพระท่านหนึ่งไปถามเข้าไปคุมให้เห็นหลวงปู่นอนป่วยอาพาดอยู่ก็าถามท่านว่าหลวงปู่ยังมีเวทนาอยู่หรอท่านก็บอกว่า เวทนามันเป็นของคู่กายก็ตอบแค่นี้ถ้าคนที่ศึกษาเยอะคิดเยอะแล้วถ้าเรานึกภาพวงจรปฏิจจสมบัติผัสสะแล้วก็เวทนา เวทนาตัวนี้เป็นอาการของจิตถ้าสมมุติว่าเรากำลังนั่งสมาธิคนข้างหลังท่านลืมปิดโทรศัพท์มือถือแล้วเ็าไปเข้าห้องน้ำเกาวางโทรศัพท์ทิ้งไว้แล้วมันเกิดดังขึ้นมาสามกรี๊งสี่กรี๊งมันก็ไม่หยุดท่านก็นั่งหลับตาอยู่แรกๆก็อาจจะทันหลังๆก็เริ่มคุน แล้วก็หันไปกะจะอ้าวไม่มีคนแต่ก็ยังคุนอยู่อย่างนี้คุอเวทนาเป็นอาการของจิตเรางปู่ดูนจะใช้คำว่าพฤติจิตเหมือนพฤติกรรมถ้าเราพูดคำว่าพฤติกรรมสมมติว่าเด็ก คนหนึ่งถูกเลี้ยงมาโดยโจรมีนิสัยไม่ดีเราก็จะบอกว่าเด็กคนนี้มีพฤติกรรมที่ไม่ดีถูกไหมครับอย่างนี้เข้าใจได้เด็กคนนี้มีพฤติกรรมที่ไม่ดีแปลว่าเด็กคนนี้ไปถูกเลี้ยงดูแล้วก็เติบโตในวงโจรเด็กคนนี้จึงมีพฤติกรรมที่ไม่ดีอาการที่เกิดการกระทบแล้วเกิดการปรุงแต่งให้ค่าแล้วก็ออกมาเป็น แสดงออกมาเป็นผลทางใจหลวงปู่จึงใช้คำว่าปพืติจิตนึกภาพออกแมมนี่คืออาการหงุดหงิดที่เสียงมากระทบคือคนที่นิสัยไม่ดีถูกโจรเลี้ยงมานึกออกไหมครับรู้ไหมครับใครถูกโจรเลี้ยงมาจิตของท่านไงทุกคนเลยท่านถูกโจรเลี้ยงมา ถูกอวิชชาหล่อหลอมแล้วก็เลี้ยงดูมาเกิดอะไรกระทบขึ้นมามันถึงหดหดถ้าเรียกจิตใหม่เป็นพฤติกรรมก็คือจิตมีพฤติกรรมที่แย่มากแต่เมื่อเป็นจิตเป็นนามธรรมจึงไม่สามารถใช้พฤติกรรมได้ต้องเปลี่ยนเป็นพฤติจิตหรือศัพท์อีกคำหนึ่งที่ใช้กันทั่ ว, วไปเลยเป็นเป็นศัพท์มาตรฐานก็คืออาการของจิต สิ่งที่เกิดออกมานี่คืออาการของจิตซึ่งเกิดขึ้นมาผมมักจะใช้คำให้ง่ายเข้าไปคือการตอบสนองแบบอัตโนมัติของคนโทรศัพท์กริง๊งกริง๊งสักพักก็เงยหงิดขึ้นมาหรือนั่งนั่งอยู่อาจจะมีคนเดินเข้าเดินออกเดินออกลุกเข้าอะไรย่างชักหงุดหงิดขึ้นมาเนี่ยเป็นอาการของจิตที่ถูกโจรเลี้ยงมา สิ่งที่ท่านกำลังฝึกวันนี้คือจะเปลี่ยนนิสัยเด็กคนนี้ให้ได้วันนี้หากจิตยังมีสภาพนี้อยู่จิตจะอยู่ต่ำกว่ามาตรฐานการบรรลุธรรมจะต้องถูกชำระอกุศลออกไปเรื่อยๆทางกายวาจาจนกระทั่งหมดส่วนทางใจเนี่ยมันจะหายไปมากกว่าครึ่ง เพราะว่าไอ้ที่ออกไปทางกายวาจามันก็มาจากใจทั้งนั้นแหละมาจากจิตจากใจทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันสังเกตเครื่องวัดได้จากกายกับใจก็จะเข้าไปวัดมาตรฐานของจิตภายในได้เหมือนกันทั้งๆ ท, ที่ตัวจริงที่มีคนสั่งกายก็คือตัวจิต ต, จ ต, ตัวใจนั่นเองอย่างที่บอกว่าโทรศัพท์ดังหุดหงิดแต่ถ้าวันไหนจิตออกจากกลางแล้วตายไปเลยเนี่ย โทรศัพท์ดังอีกเท่าไหร่ก็ไม่เห็นหงุดหงิดแสดงว่ามันไม่ได้มาจากกายดิถูกไหมมองแค่นี้ก็รู้ละเพราะว่าหลังจากเอาคือคําว่าชีวิตเนี่ยประกอบด้วยรูปและนามเอานามออกเนี่ยเหลือแต่รูปก็คือท่อนเลยเหลือแต่แท่งเลยโทรศัพท์ดังอีกเท่าไหร่ไม่เห็นมันหงุดหงิดเลยแสดงว่ามไม่ได้มาจากกายแล้วเห็นชัดๆเลยมาจากใจหรือจิต กายวาจาพอเอาจิตออกมันเลิกพูดเลยคนพูดมากอะตายปั๊บเงียบเลยไม่พูดต่อเลยแสดงว่าไม่ได้มาจากตัวมันเองไม่ได้มาจากกายดินน้ำไฟลมไม่ใช่ต้นเหตุของไม้สิ่งนี้เพราะว่าชีวิตประกอบด้วยธาตุหกดินน้ำไฟลม อากาศสั์ธาตุแล้วก็วิญญาณธาตุถึงจะประกอบกันเป็นชีวิตดินน้ำไฟลมเฉยๆไม่เป็นชีวิตแต่เวลา ด, ดูกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นดินน้ำไฟลมยังไม่เห็นอากาศสัธาตุกับวิญญาณธาตุก็สามารถปล่อยวางความยึดถือในกายได้ เพราะเห็นส่วนที่มาประกอบกันโดยมีเพื่อนคือวิญญาณเป็นคนสังเกตก่อนในเบื้องต้นพานจิตไปดูเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาฝึกให้พ้นจากสภาพลูกโจรเอาไว้สักพรุ่งนี้ เราจะกลับมาดูต้นต่อหรือต้นกำเนิดกันใหม่ว่ารูปนามของเราแต่ละคนมันเกิดขึ้นมายัางไงมันถึงได้มีนิสัยแบบนี้มันถึงได้ฝังรากลึกเรื่องอกุศลมาแบบนี้ถึงได้ฝังสัญชาตยานดิบมาแบบนี้แล้วจะชำระได้ไหม แล้วต้องใช้เวลานานแค่ไหนทำไมมาปฏิบัติเท่าไหร่ก็ไม่เห็นจะอะไรสักทีไม่เห็นเห็นอย่างที่พูดเลยฟังว่าคูบาาจารยองค์นั้นองค์นี้ไม่เห็นเห็นอย่างที่ท่านว่าเลยแสดงว่ามันต้องขาดปัดจจัยอะไรบางอย่างเราจะมาให้เห็นความจริงของรูปนาม รูปนามประกอบด้วยดินน้ำไฟลมแล้วก็มีนมามธรรมพืชก็เป็นรูปนามนักวิทยาศาสตร์เาไปไปเก็บข้อมูล พืชต้นหนึ่งมันโดนยีราฟกินหลังจากนั้นสามสิบปีพืชต้นนั้นมีหนามเต็มต้นเลยอยู่รอดในป่าเพราะมันโดนยีราฟกินมันเลยสู้ไม่ใช่สู้ยีราฟแต่สู้เอาชีวิตรอดเอาตัวให้รอด ถ้าพูดจบแค่นี้เนี่ยตัดต้นไม้บาปเลยนะเห็นอะไรต้องเห็นให้หมดรู้อะไรต้องรู้ให้จริงไม่อย่างนั้นยุง่งแล้วมีนะพอได้ยินตรงนี้ปฏิ ป, ปะตปะตออกับอ่าปาติโมกได้ด้วยที่พระเจ้า บ, บอกว่าห้ามภิกษุพลากของเขียวอ้าว ลงตัวเลยงั้นมีหน้าขนาดพระเจ้ายังห้ามพิกษุตัดต้นไม้เลยสแสดงก็ตัดต้นไม้ระบาดนี่เวลาโยงยงแบบนี้คนถึงน่ากลัวไงศึกษาอะไรถ้าศึกษาไม่หมดยุ่งเลยปุ๊บอย่างนี้แน่นอนตัดต้นไม้ระบาดไม่ใช่ต้นบัญญัติของการภาพของเขียวมาจากพิสูต เดินผ่านสวนของชาวบ้านแล้วเด็ดผลไม้มาเจ้าของสวนโกรดไม่พอใจที่พระทำไมถึงเอาผลไม้ในสวนของเขาไปจึงไปฟ้องพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าจึงบัญญัติว่าภิกษุห้ามพรากของเขียวห้ามตัดต้นไม้ห้ามมียังมีต้นบัญญัติของการตัดต้นไม้อีก ก็เลยเป็นที่มาไม่ได้เกี่ยวกับว่าตัดต้นไม้ระบาปไม่เกี่ยวกันเลยธรรมชาติของต้นไม้กับธรรมชาติของพวกเราที่มีขันหน้านมีความต่างกันพอต้นไม้ไม่มีวิญญาณคลองสิงจึงไม่สามารถสร้างอายตนะขึ้นมาได้ คือตาหูจมูกลิ้นกายใจต้นไม้จึงไม่เกิดอารมณ์แต่คนสัตว์มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีที่มาของวิญญาณหลังจะเกิดการปรุงแต่งความต่างกันคือเจ้าสิ่งนั้นดิ้นรนโดยสภาพ โดยสภาพของรูปนามถ้าเราเทียนไปตั้งไว้ข้างนอกตอนนี้สภาพของเทียนจะเป็นแบบนี้ เทียนสู้นะแต่เทียนไม่มีวิญญาณครองสิงแต่เทียนสู้ตายเพื่อรักษาสภาพของมันเหตุปัจจัยขณะนี้เทียนจะอยู่ลักษณะ น, นี้เมื่อเหตุปัจจัยเปลี่ยนเทียนจะเปลี่ยนแต่พยายามที่จะรักษาสภาพเมื่อเกิดการรักษาสภาพตอนนี้น้ําตาเทียนหยุดหยดใส่มือผมไม่หยุดเลย มันจะเกิดการเผาผลาญพลังงานขึ้นมาทันทีเขาไม่ได้มีวิญญาณนะการรักษาสภาพอย่างนี้จึงเกิดเป็นอนิจจังของรูปนามมีคนโชว์ให้ดูเลย ของทุกอย่างอยู่ต่อหน้าต่อตาเนื่องจากธรรมชาติของรูปนามทุกอย่างมีสภาพเดียวกันในเบื้องต้นเราจะเห็นความเป็นอนิจจังของมันถ้ามันสู้ไม่ได้เมื่อลมสมมติว่าผมเป่าหนึ่งดีกรีท่ากับหนึ่งมันก็จะไหวๆสองมันจะค่อยๆเอ็นมากสามมันทำท่าจะดับ แต่จะเห็นว่ามันพยายามที่จะเผาน้ําตาเทียนมากขึ้นสี่มันสู้ไม่ไหวดับมันตายแต่เขาไม่ได้เรียกตายมันตายแล้วมันสู้ไม่ได้แล้วพอมันตายถามว่าเทียนนี้จะหมดไปไหมในอนาคตหมดถ้าเอากล้องขยายกําลังขยายสูงห้าพันเท่าก็จะเห็นว่าโมเลกุลของเทียนดิ้นไม่หยุดไม่หยุดเลย ทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้จุดไฟยิ่งจุดไฟยิ่งยิ่งเกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้นนี่คือสภาพของอนิจจ์นี่คือสภาพของที่เห็นออกมาจึงเห็นว่ามันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปถ้าไม่ดับด้วยการที่ไฟเผาคือน้ำตาท เ, เทียนเผาจนกระทั่งหมดอยู่เฉยๆอีกร้อยปีพันปีก็หายไปเสื่อมสลายแตกสลาย โต๊ะโต๊ะอี้ทุกตัวเสื่อมสลายแตกสลายาศาสนาของเราสองพันปีสามพันปีกลับไปดูที่อินเดียทุกคนจะตั้งคำถามว่ามันจริงเหรอตรงนี้ไม่มีอะไรเหลือเลยคันทัก บ, บุทธีของพระพุทธเจ้าเอ๊ะแขกมันทำจริงเปล่าเนี่ย เอาอิดมาเรียงแล้วก็มาหลอกเราดู่าพมันก็เคลื่อนมาขึ้นมาเพราะว่าจะเห็นเลยว่าสองพันปีทุกอย่างหายหมดเลยไม่มีอะไรเหลือสักอย่างเลยเค้นสภาพที่เกิดขึ้นเป็นอนิจจังการดิ้นรนเพื่อจะรักษาสภาพตัวเองนี่แหละที่เป็นเรียกว่าสภาพของทุกขขังต้นไม้เองก็อยู่ในสภาพของอนิจจัง ต้นไม้เองก็อยู่ในสภาพทุกข์ขงการดิ้นรนเพื่อจะรักษาตัวเองจากการที่โดนยีราฟมากินหรือว่าดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาพอแรงนานๆมันก็ต้องเริ่มผัดใบเพื่อไม่ให้ตัวมันเองคายความชื้นออกไปมากนะแล้วก็อยู่เฉยๆอยู่ดิ่งๆลดขนาดหรือว่าตามที่เป็นเหมือนตะบองเพชรวันนี้ มันก็พยายามที่จะรักษาให้มันนานที่สุดนี่คือธรรมชาติของรูปนาะสภาพเหล่านี้เป็นสภาพทุกข์เมื่อไม่มีวิญญาณเข้ามารับรู้ก็จึงไม่เกิดเป็นมีผู้ทุกข์แต่มีความทุกข์โดยสภาพถ้าเอาวิญญาณออกเรากับตะบองเพชรเท่ากันเรากับต้นไม้เท่ากัน เป็นสภาพรูปนามที่มันพยายามจะรักษาสภาพเอาไว้ให้ได้เมื่อท่านกินสารก่อมะเร็งเข้าไปเช่นหมูปิ้งร่างกายจะพยายามสู้ทุกอย่างเพื่อจะรักษาสภาพของมันเอาไว้ให้ได้ถ้ามันชนะก็แล้วไปถ้ามันแพ้ก็จะเริ่มเกิดก่อเซลมะเร็งเซล์แรกๆขึ้นมาหลังจากนั้นมันพยายามสู้ตลอด อีก20ปีต่อมาจากเซลล์แรกก็เริ่มหมอตรวจเจอแล้วเพราะฉะนั้นคนเป็นมะเร็งเมื่อหมอตรวจเจอจึงค่อนข้างลำบากละมันไม่ได้เพิ่งเป็นเมื่อวานมันเป็นมา20ปีแล้วร่างกายนี้พยายามจะสู้ตายท่านไม่เคยต้องบอกมันเพราะว่าเขาไม่ได้เคยเป็นเรามาก่อนเขาเป็นรูปนามที่ทางานมาตลอด ส่วนวิญญาณที่ไปครองสิงเกิดจากการปรุงแต่งกายวาจาขึ้นมาสังขารการปรุงแต่งในปฏิจจสมุปบาทปรุงแต่งสามอย่างหนึ่งคือปรุงแต่งทางกายเรียกว่ากายยะสังขาร 2. ปรุงแต่งทางวาจาเรียกว่าวาจีสังขาร3ปรุงแต่งทางใจเรียกว่ามโนสังขาร3าอย่าง ต้นไม้มีกายสังขารต้นไม้ไม่มีวจีสังขารแล้วก็ไม่มีมโนสังขารมันปรุงแต่งทางกายดินน้ำไฟลมขึ้นมาแล้วก็มีนามซึ่งไม่ใช่วิญญาณแต่มนุษย์สัตว์เดรัจฉานหรือว่าภูมมือนอื่นมีวิญญาณวิญญาณก่อกําเนิดขึ้นมาจากรูปนามที่พัฒนามาแบบเดียวกับพืชแต่ว่าเริ่มทรงพลังกว่า ด้วยความยาวนานวิญญาณเนี้ยถ้าเอาวิญญาณนี้ออกก่อนมาดูความเป็นพืชดูเทียนเมื่อสักครู่ท่านจะเห็นว่ามันสู้ตายมาตลอดทั้งทั้งที่มันไม่มีวิญญาณแต่สภาพของมันคือจะรักษาสภาพตัวมันเองไว้ให้ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่นามาทำนั้นแข็งแรงจนกระทั่งเกิดการรับรู้ขึ้นมาได้มันมีรากเง่า จากการสู้ตายกูต้องอยู่ให้ได้จึงเกิดการโลภะคือดึงเข้าแล้วก็โทสะคือผลักดันพลังงานออกเพื่อจะรักษาสภาพของมันเอาไว้ให้ได้ถ้าใครเรียนวิทยศาศาสตร์ฟิสิกส์ควอนตัมจะเข้าใจสภาพนี้เลยตั้งแต่มันยังไม่มีวิญญาณแต่สภาพการทำงานของมันเนี่ยมันสู้มาตลอดจนพลังงานนี้แข็งแรงขึ้นมาจนเป็นตัวตนแล้วก็เริ่มยึดรูปนาม ขึ้นมาเป็นของกูจากทุกๆเมลกุลที่ค่อยๆเกิดขึ้นมาถูกการยึดถือทั้งหมดเมื่อมีวิญญาณในแต่ละเซลล์จนมาทั้งเป็นพลังงานใหญ่สิ่งเหล่านี้ถูกสร้างมาอย่างยาวนานทันทีที่เกิดวิญญาณคลองสิงส่งสิ่งนี้เริ่มเอาตัวรอดการเอาตัวรอดแน่นอนที่สุดต้องเกิดการเบียดเบียน ต่อให้เกิดเป็นมนุษย์หินในตอนนั้นก็เริ่มล่าสัตว์เพราะต้องเอาตัวรอดต้องเริ่มฆ่าเพื่อเอาเครื่องลุ่มหกกูต้องอยู่ให้ได้ใครจะเป็นยังไงก็ช่างสัตว์ชาติแรกจึงทำกรรม ท, ทันทีจากวันนั้นมาถึงวันนี้ไม่มีใครสลัดสิ่งนี้หลุดเลยแล้วไม่มีใครกลับไปที่เดิมได้อีก จากวินาทีที่วิญญาณเข้ามาคลองสิงรูปนามนี้จนถึงวันนี้กําลังพัฒนาแล้วก็หล่อหลอมขึ้นมาอย่างแข็งแรงที่สุดโดยเฉพาะยุคนี้ก็เต็มที่หละทุกอย่างที่เราเข้าไปปฏิสัมพันธ์เรายึดมันหมดขนาดว่าใช้แค่ชาติเดียวก็ยังไม่ปล่อยแล้วโมหะก็มากขึ้นเรื่อยๆการปรุงแต่งก็มากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าท่านเริ่มเห็นความเป็นมาของรูปนามอย่างนี้อย่าฟังว่าเนื้อเรื่องนี้อยู่ข้างนอกมันคือพวกเราทุกคน